บทที่14เวลาสมทุ่มตรงรถไฟขบวนที่คณะผู้สแสวงบุญจะโดยสารไปลงสถานีขยาก็ยังไม่เข้าเทียบชานชลาทั้งที่ในตั๋วระบุว่ารถไฟออกจากสถานีเวลา21นาฬกาโยมผู้หญิงบางคนบนกระปอดกระแปด เพราะยืนจนเมื่อยขาด้วยว่าหาที่นั่งไม่ได้ม้ายาวที่มีไว้ให้ผู้โดยสารนั่งก็ดูครอบครองโดยเจ้าของประเทศชาวไทยที่กลายเป็นชาวต่างประเทศจึงต้องยืนกันจนขาแข็งทั้งพระทั้งโยมคนที่ติดสุขชอบสนุกสบายเลยชักจะคิดถึงบ้านขึ้นมาตงิด ต, ตงิดนึกสงสารตัวเอง ที่ต้องมาตกรกรรมลำบากอย่างนี้พระอาจารย์คะทำไมคนทึงมากมายมาหาศาลอย่างนี้มีเทศกาลอะไรหรือคะสตรีอายุน้อยที่สุดในคณะถามพระเจริญไม่มีเทศกาลอะไรหรอกโยมที่นี่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของพวกเขาคือคนเมืองนี้เขาจะมาทำงานโดยรถไฟ พองานเลิกก็จะขึ้นรถไฟกลับบ้านถ้ายังขึ้นไม่ได้ก็จะรอขบวนต่อไปบางทีกว่าจะขึ้นได้ก็ตั้งครึ่งค่อนคืนถึงบ้านนอนได้ไม่เท่าไรก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่งตัวออกไปรอรถไฟอีกพวกแขกทรหดอดทนกว่าคนไทยหลายเท่าวันหนึ่งวันหนึ่งเขาเดินกันเป็นสิบกิโลเพราะบางคนทำงานไกลจากสถานีรถไฟมาก ถ้าเป็นบ้านเราเขาก็จะขึ้นรถเม์มาแต่แขกเขาจะประหยัดจะเดินมาจากที่ทำงานซึ่งบางทีก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงแล้วก็มายืนรอรถไฟพอรถมาก็แย่งกันขึ้นเสียงโวกเวกโวยวายอย่างที่โยมเห็นอยู่นี่แหละหนุ่มแขกเขาเคี้ยวหมากด้วยหรอคะเห็นเดินบ้วนน้ำหมากกันเลอะเทอะไปหมดหล่อนถามอีก ถูกแล้วโยมเมืองเราคนกินหมากมักจะเป็นผู้หญิงสูงอายุแต่เมืองแขกกลับเป็นพวกนมนมส่วนพวกผู้หญิงกลับไม่กินหมากรู้สึกว่าเมืองแขกมีอะไรแปลกๆ ก, กว่าเมืองเรานะคะถ้าแขกไปประเทศเราเขาก็คงจะพูดอย่างนี้เหมือนกันเมืองไทยกับเมืองแขกมีความแตกต่างกันหลายอย่างดูอย่างเรื่องเวลาก็ได้เมืองแขกสามทุ่ม ถ้าเป็นบ้านเราก็สี่ทุ่มครึ่งเพราะเวลาเมืองแขกจะช้ากว่าเมืองไทยชั่วโมงครึ่งถึงว่าสิโยมรู้สึกง่วงตั้งแต่มาในรถแล้วปกติโยมจะนอนประมาณสามทุ่มแสดงว่าเลยเวลานอนมาชั่วโมงครึ่งแล้วโยมผ่องใสพูดบ้างแล้วเรื่องปกติอีกอย่างหนึ่งของประเทศนี้ก็คือการไม่ตรงต่อเวลา ดูยางรถไฟที่เราโดยสารไปลงสถานีขยาตามกำหนดจะออกจากสถานีเวลาสามทุ่มป่านนี้ก็ยังไม่เข้าเทียบชานชลาเลยไม่รู้ว่าสี่ทุ่มจะได้ขึ้นรถกันหรือยังนี่เป็นเรื่องปกติของประเทศนี้อาตมาเคยรออยู่จนตีสามกำหนดเวลารถออกจากสถานีสามทุ่มอาตมารอตั้งแต่สองทุ่ม ปรากฏว่าได้เริอกออกรถตอนตีสามพร ะ, จะเจริญเล่าประสบการณ์ของท่านโอ้ยถ้าตีสามฉันคงเป็นลมตายแน่ไม่น่ามาลำบากเลยเพื่อนของโยมผ่องใสบนท่านพระครูฟังอยู่นานจึงแนะนำว่าถ้าไม่อยากร อ, อนานก็ช่วยกันสวดพุทธคุณท ร, รมคุณแล้วก็สังฆคุณต่อด้วยบทพาหุงมหากา รับรองพอสวดจบรถไฟเข้าเทียบชานชลาทันทีโยมสวดกันได้ไ้ยล่ะท่านถามญาติโยมปรากฏว่าคนสวดได้และไม่ได้มีจํานวนเท่ากันท่านพระครูจึงบอกว่าไม่เป็นไรโยมที่สวดไม่ได้ก็ให้ฟังอย่างมีสติเดี๋ยวพระกุณเจ้านิมนต์สวดด้วยนะครับสวดเบาๆพอให้ได้ยิน คืนสวดเสียงดังประเดี๋ยวแขกจะแตกตื่นเอาละเริ่มสวดได้จากนั้นผู้ที่เริ่มสวดได้ก็สวดเบาๆตามท่านพระครูแนะนำเป็นกุสโลบายของเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงที่ต้องการฝึกฝนคนไทยพุทธให้อัญเชิญคุณพระรัตน์ไรเข้ามาไว้ในใจอย่างที่ท่านสอนญาติโยมเสมอว่าให้เอาพระเข้ามาไว้ในใจ และพระที่จะนำเข้ามาไว้ในใจนั้นจะต้องให้ครบทั้งสามพระได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ท่านเริ่มต้นสวดพุทธคุณพร้อมๆกับเพื่อนภิกษุและก็ญาติโยมที่สวดได้แล้วก็จริงดังที่ท่านพูดเพราะเมื่อสวดจบลงตรงสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโส ถ, สถีพวันตุเต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 ผมก็คิดว่าจิตของพวกเราที่เข้าถึงพระรัตนตรัยนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ท่านพระครูอธิบายเอาละถ้าเช่นนั้นเราขึ้นรถกันได้นิมนต์หลวงพ่อครับประเดี๋ยวแม่ครัวกับผู้นำทัวร์จะดูแลเรื่องสัมภาระส่วนผมจะขึ้นไปจัดที่นั่งเพราะตัวอยู่ที่ผมโชคดีที่เรามารอตรงที่คันที่จะขึ้นพอดี จึงไม่ต้องเดินไกลเพราะรถไฟเมืองนี้ขบวนยาวมากถ้ารอไม่ตรงกับคันที่จะขึ้นก็ต้องเดินกันเหนื่อยเชละที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือถ้าขึ้นผิดคันก็จะเดินทะลุกันไม่ได้ต้องรอให้จอดที่สถานีค่อยลงมาขึ้นคันที่ตรงกับระบุไว้ในตัว๋วพระเจริญอธิบายความแตกต่างระหว่างรถไฟแขกกับรถไฟไทย ตอนขึ้นรถเป็นช่วงเวลาชุลมุนที่ส kidnapped. ุดเพราะแม้จะจองตั๋วล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นเดือนก็ได้เพียงรถนอนชั้นสองด้วยว่าชั้นหนึ่งนั้นมีน้อยไม่พอกับจำนวนที่มาในคณะส่วนชั้นสามจะมีผู้โดยสารมากที่สุดเพราะรัฐบาลต้องการส่งเคราะห์คนยากจนซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศอัตราค่าโดยสารชั้นสาม ราคาต่ำสุดค่าโดยสารชั้นสองสูงเป็นสิบเท่าของชั้นสขณะที่ค่าโดยสารชั้น1สูง20เท่าเช่นถ้าชั้นสามราคา10รูปีชั้นที่สองชั้นที่1จะเป็นร0 0รูปีและ200รูปีตามลำดับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่เป็นพระภิกษุไม่สามารถโดยสารรถไฟชั้นสได้เพราะแย่งแขกไม่ทัน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 ต้องยืนเบียดเสียดกับผู้โดยสารคนอื่นๆไปจนถึงสถานีขยาเกือบจะเป็นลมหลายครั้งหลายคราเพราะต้องหายใจสูดรกลริ่นแขกเข้าไปในปอดไหนจะกังวลเรื่องที่จะถูกแขกมาถูกเนื้อต้องตัวว่าจะเข้าข่ายอาบัตสังฆาที่เศษข้อสองหรือไม่อาบัตสังฆาที่เศษข้อที่สองมีว่าห้ามจับต้องกายหญิงแต่ท่านไม่ได้จับต้อง ยิงมาจับต้องกายต่างหากแล้วเธอก็ไม่ได้จับด้วยมีจิตพิศวาแต่อย่างใดเธอเพียงแต่จะแซงท่านขึ้นรถไฟเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าขายสังคาทิเศษพระมกุเทศพาพระภิกษุ5รูปกับญาติโยม26คนขึ้นไปบนรถไฟอย่างทุลักทุเลกุลีพากันหาที่วางสัมภาระญาติโยมก็วุ่นวายอยู่กับการหาสัมภาระของตน ผู้นำตัวและแม่ครัวต่างตรวจดูว่ากระเป๋าครบ44บใบหรือไม่เพราะถ้าหายไปสักใบหนึ่งและเป็นใบที่บรรจุสเบียงก็จะเดือดร้อนไปทั้งคณะพนักงานตรวจตัวมาจัดที่ให้ตามบัญชีรายชื่อแล้วก็เกิดโอลเวงกันขึ้นเพราะเลขที่ซ้ำกันที่ซ้ำกันเพราะมีการแอบขายตัวปลอมซึ่งรู้กันในหมู่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 ท่านพระครูเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงผมมีความรู้สึกว่าได้กลับมาเยือนบ้านเกิดในอดีตชาติผมคงเคยเป็นคนอินเดียนะครับหลวงพ่อท่านพูดว่าคงเคยเป็นเพราะไม่ต้องการอวดอุตริมนุษธรรมช่วงที่ยืนรอรถท่านทำกรรมฐานยืนหนอจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ และระลึกชาติได้นอกเหนือจากเจชาติว่าครั้งหนึง่งท่านเคยเกิดเป็นคนอินเดียบิดานับถือศาสน า, าพราหมมาในชาตินี้บิดาเกิดเป็นคนอินเดียอีกแต่นับถือศาสนาซิกและได้อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยที่อำเภอบ้านภัยจังหวัดขอนแกน่นท่านจะมีโอกาสได้พบกับเขาในอีกสิปีข้างหน้า ก็เป็นไปได้นะคะปราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเกิดและไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดในประเทศเดียวไปทุกชาติอาจจะเกิดประเทศโน้นบ้างประเทศนี้บ้างเรียกว่าต่องเที่ยวไปในวตดสงสารจนกว่าจะตัดความหลงได้ถ้ายังตัดไม่ได้ก็ต้องเวียนว่ายกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดทุกอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่ เท่ากับทุกในวัฏฏะสงสารนะครับหลวงพ่อเพราะความหลงในสงสารทำให้ชีวิตต้องเวียนว่ายแม้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏะสงสารนานกว่า20สิอสงไขยจึงได้ข้ามพ้นนั่นสิ พระองค์ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีมาถึง20สบอสงไขกว่าจะได้บรรลุพระโพธิญาณคนที่ไม่เข้าใจก็คิดว่าท่านบำเพ็ญบา ร, รมีแค่สีอสงไขยกำไรแสนกับความจริงแล้ว20สบอสงไขยกับแสนกับแค่กับเดียวก็ยาวนานจนแทบจะจินตนาการไปไม่ถึงแล้วนี่ตั้งแสนกับนานจนลืมไปเลย ที่พูดกันว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีสีอสงไขยกำไรแสนกับเพราะไปนับตั้งแต่ต้นตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นสุเมตดาบทแล้วก็ได้รับพยากรจากพระที ป, ปังกรพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพัทรักกับแต่ถ้านับตั้งแต่พระองค์ทรงตั้งปณิธานแน่แน่ที่จะบำเพ็ญบารมี เป็นพระพุทธเจ้าก็กินเวลาถึงเจ็ดอสงไขยครั้นพอเปร่งวาจาออกมาว่าเราจักบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็กินเวลานานถึงเก้าอสงไขยรวมเป็น1 6อสงไขยครั้นถึงสมัยพระทีปังกรพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อุบัติขึ้นเป็นพรามชื่อสุเมธ ต, ต่อมาก็ออกบวชเป็นดาบท แล้วก็บำเพ็ญฌานจนบรร ล, ลุฌานสมาบัติพระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จมาสุเมธดาบทร่วมทางทางกับมหาชนยังทางไม่ทันเสร็จพระทีปังกรพุทธเจ้าก็เสด็จถึงสุเมธดาบทจึงทอดกายลงให้พระองค์ทรงเหยียบย่างไปบนร่างของตนพระทีปังกรพุทธเจ้าทรงพยากรณ์และตรัสกับสุเมศดาบทว่า เธอจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนับแต่ได้รับพยากรณ์พระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญบา ร, รมีอีกสีอสงไขยกกำไรแสนกลับจึงได้ตรัสสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระครูเล่าเรื่องบำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยขยายความว่า พระทีปังกรทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่แห่งสารมันทกับซึ่งในกับนี้พระพุทธเจ้ามาอุบัติ4พระองค์คือพระตันหังกรพระเมธังกรพระสารนังกรและพระทีปังกรส่วนพระโคตมะก็ทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่เช่นกันแต่เป็นพระองค์ที่สีแห่งพัทธระกับ ท่านพระครูทราบไหมว่าในพัทธรักับที่มีพระพุทธเจ้าอุบัตห้พระองค์ครับผมทราบพระพุทธเจ้าหพระองค์ในพัทรักับคือพระกกุสันทะพระโกนาคมพระกัสปะพระโคตมะและพระเมตยะสพระองค์แรกเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตพระองค์ที่สเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันพระองค์ที่ห้า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 หากนั่งศีรษะก็จะติดหลังคารถดังนั้นคนที่ยังไม่ง่วงจึงใช้วิธีนอนคุยกันแทนนั่งคุยประเดี๋ยวหนึ่งเสียงเอะอะก็ดังขึ้นพระมกุเทศเป็นรูปเดียวในคณะที่ฟังภาษาฮินดีออกจึงทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้โดยสารวันนาพรามกับวันนาสูตรกำลังถกเถียงกันเรื่องที่นอน คนวันนาพรามอ้างว่ารถนอนเป็นของวันนพรามเท่านั้นคนวันนสูตรไม่มีสิทธิ์ขึ้นส่วนคนวันนสูตรก็เถียงว่าเขาซื้อตั๋วมาอย่างถูกต้องแล้วก็ขอให้คนวันนาพรามแสดงตัว๋วคนวันนพรามไม่ยอมอ้างแต่ว่ารถนอนเป็นที่สำหรับคนวันนพรามเท่านั้นพวกพรามเขารังเกยียจคนวรนนาตา ญาติโยมฟังดูสิเขาเสียงดังเชียวทั้งคมทั้งคู่แล้วคนวันนะสูตรก็ยืนยานเสียงอ่อยว่าตัวเขามีตัว๋วคนแต่งชุดผ้าปานสีขาวเป็นพรามใช่ไหมครับเพราะแกเสียงดังเชียวโยมเสงยงถามถูกแล้วยมและดูคนวันณะสูตรสิหน้าจ้อยเลยอาตมาดา ว, ว่าต่พรามแกไม่ได้ซื้อตั๋วแน่นอน แต่อศัยใจกล้าหน้าด้านมาข่มคนวันหน้าตาำอาตมาเคยพบเรื่องแบบนี้เกือบทุกครั้งที่โดยสารรถไฟแล้วเขาจะต่อยกันไหมครับผมกลัวว่าพวกเราอาจจะถูกลูกหลงข้าบดีสูงวัยถามเพื่อความปลอดภัยของชีวิตไม่ต่อยหรอกโยมเพราะกฎหมายเมืองแขกแรงมากถ้าทะเลาะ ก, กันเฉยเฉยไม่เป็นไร แต่ถ้าถึงขั้นลงไม้ลงมือจนเลือดตกยางออกจะต้องติดคุกทั้งสองฝ่ายอยู่นอกคุกลําบากจะแย่อยู่แล้วคืนอยู่ในคุกก็เท่ากับตกนรกทั้งเป็นอาตมาเคยถามพวกเด็กหนุ่มที่เคยติดคุกพวกเขาบอกว่านรกดีๆนี่แหละพันเตเขาจะเรียกพวกนักบวชในาศาสนาพุทธว่าพันเตส่วนนักบวชในาศาสนาพราหมณ์เขาก็จะเรียกว่าสาธุ อาตมาก็ถามเขาว่านารกเป็นอย่างไรอาตมาไม่เคยไปเขาก็ตอบว่าอยู่อัดกันแน่นอย่างกับปลากระป๋องอาหารการกินก็ไม่เพียงพอกับจํานวนนักโทษมุ้งก็ไม่มีต้องนอนให้เหลือบยุงกัดกินเลือดที่ทรมานทรการมมากกว่านั้นก็คือต้องถ่ายอุจจระปัสสวะกันในห้องขังทนดมกลิ่นเน่าเหม็นทั้งตัวเอง และของผู้ร่วมชะตากรรมอาตมาฟังและยังตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะไม่ขอมีเรื่องกับคนอินเดียจนถึงขั้นต้องถูกขังคุกอย่างเด็ดขาดอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าเวลามีโรคระบาดก็ตายกันยกคุกเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงกลัวติดคุกมาก ตรวจรถไฟได้รับรายงานจากพนักงานจึงเดินมาระ ง, งับเหตุเขาขอดูตั๋วจากผู้โดยสารวันณะพรามบุรุษในชุดสีขาวไม่ยอมให้ดูแต่บอกกับตำรวจด้วยเหตุผลเดียวกับที่บอกกับผู้โดยสารวันณะสูตรว่ารถนอนเป็นของวันณพรามคนวันนะสูตรรีบแสดงตัวแก่ตำรวจเขาเกรงว่าตำรวจจะเข้าข้างคนวันณพรามได้กัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเขาก็จะขอให้พนักงานรถไฟที่เป็นคนวรนนาดเดียวกันกับเขามาเป็นผู้ตัดสินพนักงานรถไฟสองคนปูที่นอนเสร็จก็มายืนเป็นกำลังใจให้คนวรนนาดเดียวกันกับตนตำรวจคิดว่าควรทำตามหน้าที่ดีกว่าเข้าข้างคนวัรณะเดียวกันจึงบอกปรุษชุดขาวด้วยถ้อยคำที่นิ่มนวลและเกรงใจว่า การโดยสารรถไฟใช้ตั๋วเป็นเกณฑ์ตัดสินไม่ได้ใช้วันนะมาตัดสินและได้ขอให้เขากลับไปยังชั้นสามเมื่อรถไฟจอดสถานีต่อไปคนพราหมรับคาอย่างเย่อหยิ่งและบอกว่าตนจะลงไปขึ้นตู้ชั้นสามซึ่งอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงรถไฟจึงจะจอดสถานีต่อไปขณะ น, นี้รถกาลังวิ่งอยู่จึงขอนอนพักผ่อน ว่าแล้วก็เอนกายลงนอนตำรวจรถไฟพูดกับคนวันะสูตรว่าขอให้ยืนไปอย่างนี้ก่อนเมื่อคนวันะพรามย้ายไปชั้นสามแล้วจึงค่อยนอนสงสารคนวรนะสูตรจังเลยนะครับท่านทำไมเขาถึงไม่โต้แยง้งตำรวจตัดสินแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยน้องชายโยมเสงพูดขึ้นหลังจากฟังพระมกุเทศภาค อาตมาอยากจะถามเขาเหมือนกันแต่กลัวตาพรามแกจะว่าเอาได้ว่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาเป็นชาวต่างประเทศเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นจะเสียเปรียบเขาพวกแขกเขาแบ่งชั้นวันนะกันก็จริงแต่ถ้ามีเรื่องมีราวกับชาวต่างชาติเขาก็จะเข้าข้างกันโดยวางเรื่องวันนะไว้ก่อนอาตมาเคยเห็นมากับตาเลยนะ เรื่องเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองถ้าโยมอยากฟังอาตมาจะเล่าให้ฟังท่านพูดแบบสงวนธาทีแต่พองามผมอยากฟังครับโยมเสียงกับน้องชายพูดขึ้นพร้อมกันราวกับนัดหลวงพ่ออยากฟังหรือเปล่าครับพระเจริญถามพระครูเจริญสมภารวัดป่ามะม่วงตอบว่าถึงไม่ฟัง ผมก็คงต้องได้ยินท่านเล่าไปเถอะครับพระมกุฏเทพจึงเล่าเหตุการณ์ที่ท่านประสบมาด้วยตนเองว่าคือเมื่อเดือนที่แล้วผมนั่งรถไฟจักรยาไปเดลฮีมีชาวฝรั่งเศสสองสามีภรรยาขึ้นไปด้วยหลวงพี่รู้ได้อย่างไรครับว่าเขาเป็นชาวฝรั่งเศสคือผมอยากทราบว่าเรามีข้อสังเกตอะไรที่แยกแยะได้ว่า ฝรั่งคนนี้เป็นอเมริกันเยอรมันอังกฤษหรือฝรั่งเศสน้องชายโยมเสงอยากรู้ที่อาตมารู้เพราะคุยกับเขาคือนั่งตรงข้ามกันก็เลยคุยกันหลวงพี่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยหรือครับพูดไม่ได้ลอกแต่พูดภาษาอังกฤษได้เลยคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษคนฝรั่งเศสเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะ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 คนฝรั่งเศสใจร้อนมากชกหน้าตาแขกคนนั้นไปเปรี้ยงหนึ่งเท่านั้นแหละพวกแขกไม่รู้มาจากไหนกันพากัน ร, รุมกระทืบเจ้าฝรั่งเศสตายคาตีนเลยอัตมาขอโทษที่ใช้คำว่าตีนมันเห็นภาพพดมากกว่าใช้คำว่าเท้าถ้าพูดว่าตายคาเท้ามันเห็นภาพไม่ค่อยชัดสรุปว่าตาฝรั่งเศสคนนั้นถูกรุมกระทืบ ตายต่อหน้าภรรยาและต่อหน้าอาตมาพอตำรวจรถไฟมาก็ไม่รู้ว่าจะจับมือใครดมถ้าพูดให้ตรงกว่านั้นก็ต้องไม่รู้ว่าจะจับเท้าใครดมเพราะพอกระทืบเสร็จก็แยกย้ายกันไปเรื่องก็ลงเอยที่ว่าจับคนร้ายไม่ได้เขาก็ถามอาตมาว่าพันเตจําหน้าคนร้ายได้ไหมอาตมาก็ตอบว่าจําไม่ได้ ทางรัฐบาลก็เลยจ่ายค่าทำศพให้ภรรยาคนตายเป็นเงิน 5,000 รูปีซึ่งเท่ากับ 7,500 บาทชีวิตมีค่าแค่นั้นเองและภรรยาเขาว่าอย่างไรครับแกก็เอาแต่ร้องไห้อาตมาก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรนั่งตัวแข็งเลยและเขาไม่เข้าไปช่วยสามีหรอครับไม่ช่วยรอกเขาก็นั่งตัวแข็งทื่อเหมือนกับอาตมา